ในบาลีอังกุตระนิการ ย, ยืนยันในข้อที่ว่ากรรมหมดไปเองในเมื่อว่างจากโลภะโทสะโมหะหรือว่างจากตัวกูของกูซึ่งพูดกันให้สั้นๆในที่นี้ก็ว่าถ้ามันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราแล้วกรรมก็จะหมดไปเองหมายความว่าหมดไปทั้งกรรมและวิบากของกรรมและกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ทากรรมมันหมดพร้อมกันไปเอง เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวกรรมกลัวจะต้องเป็นไปตามกรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องกรรมแต่เราสนใจกับความว่างทำความว่างให้แก่ตัวกูและของกูได้แล้วกรรมย่อมสลายไปหมดสิน้นไม่มีการที่จะต้องเป็นไปตามกรรมนี่แหละจุดนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนอย่างองคุลีมานเป็นพระอรหันต์ได้ที่ตรงนั้น อย่าอธิบายผิดๆอย่างที่เขาอธิบายกันว่าไม่ฆ่าคนแล้วก็เป็นพระอระหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่องค์ุลีมานว่าฉันหยุดแล้วแกไม่หยุดแกไม่หยุดก็คือยังฆ่าคนอยู่และองค์ุลีมานก็หยุดฆ่าคนแล้วจึงเป็นพระอระหันต์อย่างนี้คนนั้นอธิบายเอาเองต่างหากและยังเป็นการตู่พระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเพราะคําว่าหยุด ของพระพุทธเจ้านี้ท่านหมายถึงหยุดการมีตัวกูหยุดมีของกูหยุดมีตัวเราหยุดมีของเราหยุดความยึดมั่นนั้นคือความว่างเพราะฉะนั้นความว่างนั่นแหละคือความหยุดความหยุดชนิดนี้เท่านั้นที่จะทำให้องค์ุลีมานให้เป็นพระอรหันต์ได้มีใช่หยุดฆ่าคนหยุดฆ่าคนนั้นใครๆก็ไม่ฆ่าคนอยู่แล้ว ทำไมไม่เป็นพระอาหารหันต์เพราะเหตุที่ว่าความหยุดหรือหยุดที่แท้นั้นมันคือความว่างจนไม่มีตัวเราที่จะอยู่ที่ไหนหรือจะไปที่ไหนหรือจะมาที่ไหนหรือจะทำอะไรนั้นมันจึงจะหยุดแท้ถ้ายังมีตัวเราอยู่แล้วมันหยุดไม่ได้เราควรจะเข้าใจคำว่าว่างนี้คือคำคำเดียวกับคำว่าหยุด ที่พระพุทธเจ้าสั่งองค์คุลีมานคําเดียวแล้วกลายเป็นพระอาหารหันต์ไปได้ทั้งที่ฆ่าคนมามื อ, อยิงเลือดแดงๆอยู่หรือว่าแขวนคะแนนคนที่ฆ่าไปแล้วด้วยกระดูกนิ้วมืออยู่ที่ขอตั้ง999หรือ99ซึ่งแปลว่ามันมากเต็มทีนั่นแหละคือไม่หยุดมันมีความยึดมั่นถือมันอะไรจนวิ่งป่วนไปหมดไม่หยุด ที่นี้คำรรจะหมดไปเองหรือว่าจะถึงความหยุดก็ต้องอาศัยคำคำเดียวคือความว่างจากตัวกูของกูไม่ยึดถือมันในธรรมทั้งปวงการกระทาให้ว่างนี้จัดว่าเป็นการทำโยคะในทางพุทธศาสนาก็ได้คือเราดูกันที่ตัวการกระทาให้ว่างนี้เนี่ยล่ละเรียกว่าโยคะมันเป็นโยคะสูงสุดถึงขั้นที่เรียกว่า ยอดของโยคะกล่าวคือชั้นราชโยคะอะไรนั้นในที่เช่นนี้แม้เราจะยืมคำว่าราชโยคะในฝ่ายเวทานาตะมาใช้ก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ายอดสุดของโยคะแต่ราชโยคะอย่างเขามีตัวตนถึงที่สุดสำหรับพุทธศาสนาเราโดยเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริ ย, ยสัจ์จตทัศนะคือโยคะ นั่นก็แปลว่าโยคะในพุทธศาสนานี้ก็มีแต่มันหมายถึงการทำความว่างให้แจ้งออกมาให้ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นการกระทำอันใดที่เป็นไปเพื่อให้ความว่างปรากฏขึ้นมาแล้วการกระทำอันนั้นเรียกว่าโยคะได้เหมือนกันถ้าใครจะอยากใช้คำว่าโยคะหรือชอบพูดถึงโยคะอยากมีโยคะอะไรนี้ต้องมีให้ถูกอย่างนี้ จึงจะสมกับที่พระพุทธเจ้าทัานตรัสไว้ว่าโยคะคืออริยสัจจากทัศนะการทำของจริงที่สุดให้ปรากฏออกมาเรียกว่าโยคะแล้วเราก็เอามาใช้กันกับการทำทุกอย่างในทางจิตใจเพื่อให้หยุดความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเสียนี่แหละคือโยคะเราจะเอาคำว่าโยคะคำไหนของพวกอื่นมาใช้มาเรียกก็ได้ทั้งนั้น มันจะมีความหมายที่ปรับให้เข้ากันได้ทั้งนั้นอย่างกรรมมโยคะให้ทำความไม่เห็นแก่ตัวให้ประพฤติประโยชน์ของผู้อื่นได้ไปอย่างนี้เราก็มีถ้าว่าเราอย่ามีตัวเรามีของเราเราอย่ามีความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราอย่างนี้เราทำไปเถอะมันจะเป็นกรรมมโยคะไปหมด แม้จะเป็นโยคะชั้นต่ำๆเ ต, ตี้ยๆคือการทำบุญทากุศลทำความดีความงามเสียสละแก่ผู้อื่นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างนี้ต้องทำด้วยจิตที่ว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูอย่าให้ความรู้สึกแล่นหรือน้อมเอียงไปในทางว่าฉันหรือตัวฉันมันก็เป็นโยคะไปหมดนี่แปลว่าไม่ต้องแสวงหายโยคะอย่างอื่น จะเป็นชื่อสกีสิบโยคะกี่ชนิดโยคะก็ตามต้องนับว่าเป็นอันธรมโยคะทั้งสิน้นกล่าวคือการทำตัวตนหรือของตนให้หมดคือทำความว่างให้ปรากฏขึ้นมา